ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องอภัยราชกุมารข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบอภัยราชกุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเอทะปัสสติมังโลกังเป็นต้นตอนพระกุมาร ได้รับพระราชทานราชสมบัติได้ยินว่าเมื่ออภัยราชกุมาร น, นั้นทรงปราบรามปัจจันตชนบทให้สงบเสด็จมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารผู้พระปีดาทรงพอพระทัยแล้วพระราชทานหญิงฟ้อนคนหนึ่งผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับแล้วได้พระราชทานราชสมบัติสิ้นเจ็ดวัน ภายราชกุมารนั้นไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมนเทียเลยสเสรวิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันเสด็จไปสู่ท่าแม่น้ำในวันที่8ทรงสงสนาดแล้วเสด็จเข้าไปสู่พระอุทยานประทับนั่งทอดพระเนตรการฟ้อนและการขับของหญิงนั้นดุจสัน ต, ติมหามาศในขณะนั้นเองแม้นางนั้น ได้ทำกาละด้วยอำนาจกองลมกล้าดุดสตราดุดยิงฟ้อนของสัน ต, ติมหาบาทพระกุมารมีความโศกเกิดขึ้นแล้วเพราะกาลกิริยาของหญิงฟ้อนนั้นทรงดาริว่าผู้อื่นเว้นพระศาสดาเสียจากไม่อาจเพื่อให้ความโศกนี้ของเราดับไปดังนี้แล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่า เจ้าข้าขอพระองค์จงให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิดตอนอุบายระ ง, งับความโศกประศาสดาทรงปลอบพระกุมาร น, นั้นแล้วกลัดว่ากุมารก็ประมาณแห่งน้ําตาทั้งหลายที่เธอร้องไห้อยู่ในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วอย่างนี้นี่แลให้เป็นไปแล้ว ย่อมไม่มีในสงสารซึ่งมีที่สุดอันใครๆรู้ไม่ได้ทรงทราบความที่ความโศกเป็นสภาพเบาบางเพราะเทศนานั้นแล้วจึงตรัสว่ากุมารอย่าโศกเลยข้อนั้นเป็นฐานะเป็นที่จมลงของชนผ่านทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเอถา ปัสติมังโลกังจิตังราชะระทูปมังยัถบาลาวิซีดันตินัตถิสังโววิชานตังท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชรถที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ตอนแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าเอถะปัสสะประศาะ ส, สดาตรัสหมายเอาพระราชกุมาร น, นั่นเองสองบทว่าอีมังโลกังได้แก่อัตภาพกล่าวคือขันธโลกเป็นต้นนี้บทว่าจิตตังความว่าอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้นตุตราชรถอันวิจิต ด้วยเครื่องประดับมีแก้วเจ็ดประการเป็นอาทิสองบทว่ายัตถบาลาความว่าพวกคนเข่าเท่านั้นมกอยู่ในอัตภาพใดบทว่าวิจญาณตังความว่าแต่สำหรับพวกผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลายหามีความข้องในกิเลสเครื่องข้องคือราคะเป็นต้น แม้อย่างหนึ่งในอัธภาคนั้นไม่ในเวลาจบเทศนาพระราชกุมาร น, นั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องอภัยราชกุมาร